พระบัญญัติ516ก็ภิกษุใดออกป่าขอจีวรจากเครหัดชายหรือเครหัดหญิงผู้ไม่ใช่ญาติต้องอบัตินิสคี้ยปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระอุปนันท飒กยบุตรจบ